ซึ่งกำลังบำเพ็ญตะบะประพฤติพรตทรมานตนต่างๆและส่งสนทนาัำนิครนเหล่านั้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายแห่งศาสนาของเขาพวกนิครนบำเพ็ญตะบะทรมานตนเพราะเขาถือหลักการอย่างหนึ่งว่าความสุขจะบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์และเพื่อให้มีหลักฐานเสริมคาอ้างของตนพวกนิครน ก็ยกเอาพระเจ้าพิมพิสารมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าคนลุถึงความสุขได้ด้วยความสุขแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็จะต้องทรงบรรลุความสุขในแง่นี้หมายถึงความสุขสูงสุดที่เป็นจุดหมายของศาสนาพระเจ้าพิมพิสารก็จะต้องทรงบรรลุความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นอยู่สุขสบายกว่าพระพุทธองค์ การที่พวกนิครนกล่าวอย่างนี้ก็เพราะพูดไปตามความรู้สึกสามัญที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติและพระราชอำนาจครั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทุกประการก็คงเป็นอยู่สุขสบายกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสละโลกิยะสมบัติแล้วเที่ยวจาริกเร่ร่อนไปประทับนอนตามภูผาป่าไม้และปฏิบัติศีลวัดทางศาสนาซึ่งก็คงทุกข์ยากลําบากลําบนเหมือนกับพวกตน แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธโดยทรงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หลักฐานที่พวกนิครนยกขึ้นอ้างเพื่อสนับสนุนหลักการของพวกตนนั้นก็เป็นหลักฐานที่ผิดพลาดใช้ไม่ได้เสียแล้วเพราะพระเจ้าพิมพิสารมีได้มีความสุขกว่าพระองค์เลยแต่ตรงข้ามพระองค์มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารอย่างไรก็ตาม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 โดยตรัสถามว่าพระเจ้าพิมพิสารจะประทับนิ่งไม่ไหวติงพระวรากายไม่ตรัสอะไรเลยอยู่เสวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้นล้วนตลอดเวลาเจดวันหรือแม้แต่เพียงชั่วคืนเดียววันเดียวได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้แล้วตรัสถึงพระองค์เองบ้างว่าทรงสามารถประทับนิ่งไม่ไหวติงพระวรากายไม่ตรัสอะไรเลย สวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้วนตลอดสองวันก็ได้สามวันก็ได้ตลอดจนถึงเจวันก็ได้พวกนิครจึงยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านเปรียบปีติความเอิบอิ่มใจที่ได้จากกรรมคุณทั้งห้าว่าเป็นเหมือนจุดไฟโดยใช้หญ้ารือไม้เป็นต้นเป็นเชื้อถึงจะมีแสงสว่าง แต่ก็ไม่จะจ้าแจ่มนวนมากนักเรามีสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเช่นควันเป็นต้นส่วนปีติที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่อาศัยอากุสนละธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนจุดไฟที่ไม่ต้องใช้หญ้าและไม้เป็นเชื้อแสงสว่างจะบริสุทธ์ใส่นวลแจ่มจ้าไม่มีควันหรือมนทินใดรบกวนสำหรับในเรื่องนี้ ตามความในสูตรว่าไฟที่จุดโดยไม่ใช้ย่าและไม้เป็นเชื้อกันเป็นเพียงข้อสมมติเป็นไปไม่ได้ในเวลานั้นนอกจากบรรดาด้วยฤทธ์แต่ในสมัยปัจจุบันพอจะเห็นว่ามีฤทธ์สมัยใหม่ที่จะทำไฟเช่นนั้นได้